วิกฤตศรัทธาของศาสนาไม่ได้แก้กันที่พฤติกรรมของพระแต่แก้กันที่ความเข้าใจของคารวะไม่มีใครเริ่มชีวิตด้วยการเป็นพระชีวิตมีแต่เริ่มด้วยการเป็นคารวะกันทั้งนั้นพระเป็นอย่างไรก็จากการที่เคยเป็นคารวะแบบไหนมีความรู้ความเข้าใจธรรมะอย่างไรจึงเข้ามาบวชและเมื่อเป็นพระแล้ว จะอยู่บนเส้นทางของอัตตาหรืออนัตตาก็ขึ้นอยู่กับการที่คารวา์เลี้ยงดูส่งเสริมให้พวกท่านเป็นพระหรือเป็นพานอุทธศาสนาจะร่งเรืองในยุคที่คารวาสส่วนใหญ่สนใจและรู้จักธรรมะคารวาสส่วนใหญ่ไม่มองว่าธรรมะฝากไว้ที่วัดคารวาสส่วนใหญ่มองว่าที่แท้ธรรมะต้องมีอยู่ในบ้านตัวเองนั่นหมายความว่า พุทธศาสนาต้องเปลี่ยนจากยุคบอกต่อว่าพระวัดไหนดีมาเป็นช่วยๆกันตอบว่าธรรมะข้อไหนดีที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ผลหรือหากจะไปวัดก็ช่วยๆกันอธิบายว่าถวายอะไรดีที่จะไม่เปลี่ยนคนอยากบวชให้กลายเป็นพระอยากศึกเราด่าพระที่ทำผิดวินัยฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะชาวบ้านมักเอาเครื่องกระตุ้นกิเลสไปให้พระ เราต้องด่าตัวเองด้วยตอนเผยเอากิเลสไปถวายท่านจึงจะมีชาวบ้านจูงใจให้พระผิดวินัยกันน้อยลงเราฝากฝังศาสนาไว้ในมือพระฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะชาวบ้านชอบเอาธุระทางโลกเข้าวัดกันบ่อยเราต้องฝากฝังศาสนาไว้กับตัวเองก่อนจึงจะมีชาวบ้านชอบเอาธุระทางธรรมเข้าวัดบ่อยขึ้น เราคาดหวังให้พระประพฤติทธรรมสั่งสอนธรรมไม่ได้เพราะชาวบ้านชอบของขลังชอบคำทานายจากพระเราต้องคาดหวังให้ตัวเองชอบเจริญสติเจริญธรรมก่อนจึงจะมีชาวบ้านร้องขอให้พระประพฤติทธรรมไว้เทสนาพระพุทธเจ้าจึงฝากฝังพระศาสนาไว้กับคนในบริษัทพุทธสี่จำพวกคือท่านไม่ได้ให้ไว้ใจพระฝากภาระไว้กับภิษุฝ่ฝายเดียว แต่ยังมีภิกษุณีอุบาสกคือชาวบ้านที่เป็นชายและอุบาสิกาคือชาวบ้านที่เป็นหญิงด้วยถ้าใครไม่คิดดูแลศาสนาก็อย่าแปลกใจที่พบแต่พระทิ้งศาสนาไปเอาดีทั้งโลกถ้าใครเห็นพระผิดวินัยแล้วเสื่อมศรัทธาประกาศตนเป็นคนไร้ศาสนาก็อย่าแปลกใจถ้ายามใกล้ตาย รู้สึกเหมือนเด็กหลงทางที่ไม่มีใครช่วยออกจากป่าหรือรู้สึกเหมือนคนจะจมน้ำโดยไม่มีฟางให้เกาะแม้แต่เส้นเดียว